อนาปติวานพิกษณีต่อไปนี้ไม่ต้องอบััดคือ 1,227 1. ภิกษจหนึ่งพิีถูกชิงจีวรไปสองพิกษณีจีวรหาย 3. ภพิกษณีผู้เป็นไข้ 4. ภพิกษณีผู้หลงลืม 5. ภพิกษณีไม่รู้ตัว 6. ภพิกษณีวิกลจริต7พิกษณีต้นบัญญัตสิกขาบทที่13จบชัตตูปหาหนวั์ที่9 Job.